ถามว่าอุปธิวิเวกสงัดจากกิเลสสงัดจากกามและสงัดจากขันนั้นเป็นอย่างไรขอท่านจงอธิบายข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าได้แก่พระอรหันต์ที่ท่านตัตดไตรวัตรได้ไตรวัตรหรือวัตตาสามได้แก่กิเลสวัตกรรมวัต วิปากวัฏเป็นวงจรสามวัตตะสามหรือวังวน3สามหรือวงจรสามส่วนของปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนเสืบทอทอดต่อๆกันไปทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดหรือวงจรแห่งทุก์ได้แก่กิเลสกรรมและวิบากเรียกเต็มว่ากิเลสวรรัฏประกอบด้วยอวิชชาตันหาอุปาทาน กรรมวัตรรกอบด้วยสังขารและภพวิปากวัตรประกอบด้วยวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตอุปธิวิเวกได้แก่พระอรหันต์ที่ท่านตัดไรวัตรได้ปรอละอาสวะสาม คือการมาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะชื่อว่าสงัดจากกิเลสทำอะไรไม่เป็นกรรมเป็นแต่กิริยาชื่อว่าสงัดจากกรรมและหมดวิบากไม่มีปฏิสนธิในภพที่จะเกิดเป็นขันธ์คือขันธ์ห้าต่อไปชื่อว่าสงัดจากขันธ์ ถามกล่าวว่าข้าพเจ้านึกถึงความยินดีพัวพันยึดถือสิ่งใดไว้ก็เป็นพบขึ้นในที่นั้นถ้ายัางมีความยินดีในกามก็ต้องเกิดในกา ม, มาทธาตุเช่นพระอนาคามีละความยินดีในกามได้ก็ไม่เกิดในกา ม, มาทธาตุและพระอรหรันละความยินดียึดถือในเบญจคันได้ก็ปริณิพานท่านจึงไม่เกิดต่อไปเพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงตรัสสอนให้ละความยินดีกำนัดในกามและละความกำนัดยินดียึดถือในเบญจขันตอบว่าถูกแล้วถ้าเราจะไม่ละความกำนัดยินดีในกามและไม่ละความยินดียึดถือในเบญจขันก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระศาสดา